ب سمILLAH ل ر ح م ن ا ل r a h m a ر ح يم الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام على أشرف الأنبياء ومرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ر َ ي ت ب ا ل ل ه ِ ر ب ا و ب ا ل ْ إ س ل ا م ِ ا ن ا و ب م ح م د ر س و ل َ Allahumma innana nas'aluka inmana fi an wadisqanta yiban وعملن al متقابلة يا ربنا الامين Allahumma fakihu fiddin وعلمه جاوين al Assalamu alaikum ah w a r a ตุล t u l l a h wa barakatuh ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญ ความปารานีจาาลอสุบฮาห์นาหัวตาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมเรียนกุรอ่านทุกๆท่านสุขตุต่อลอสุบฮาหนาหัวตาลาที่ให้พวกเราได้มีโอกาสมาพบเจอกันวันนี้ก็จะต่อเนื่องจากอายะที่150่าในสุร อ, อลอารรอฟนะครับสุรอลอารอารอฟยุสที่9 นะยูสตีเก้าอายะที่หนึ่งร้อยห้าสิบซึ่งเป็นเรื่องราวของท่านนาบีมูซาอะเลฮิสลามน ะ, ะแล้วก็ความจริงก็น่าจะรู้กันหมดแล้วมึงฮะเพราะว่ารู้ปะบอกบอกตอนนี้เลยนะอ่าก็ประกาศสักนิดนึงนะครับช่วงนี้มีปัญหาเรื่องเรื่องทาง นะทางที่จะเดินทางมานะก็เดี๋ยวขออนุ ญ, ญาตหยุดชั่วคราวนะครับตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปจนกว่าทางเข้าจะเสร็จนะครับเดี๋ยวถ้าเสร็จยังไงเดี๋ยวมีแจ้งนะอิชัลลัลนะครับก็ขออุทิให้เ็าทำให้ไวแล้วกันนะไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าทำนานหรือเปล่าอืมอ่ะเดี๋ยวเริ่มต้นที่ซุระอนฟาตีฮะ อาราฟต์ิฮะอู๊ดุบิลลอฮิมินัลชาอิตานุรรจิมบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะหม الحمد لله رب العالمين لل الع الر الرحمان الر الرحيم مالك يوم الدين อียาคัน ا าบุด س ْ ت อีِ ي คَนِ ه ต د ِ ن َ ا อ ل ص ดّนَ ا ิร ا ตْลมْุตَ ق ี ي م ิรِตَล ط َ ا ل ัّนอ ي ن َาَตْ عليهم غير المنضوب عليهم ولاضالين อเมนท้อ150นะครับว่ลเมารอจ้ามูซานะ أعوذ الرجيم أ عوذ بالله من الشيطان الرجيم الش الر ولما رجع موسى إلى قومه غ ض ب ن أسيفا قال بسم خ َ ل ف تموني من بعدي قال بسم خ َ ل ف تموني من بعدي عاجل ت ُ م أمر رب ّ ك م و أ ل ق َ الوجه وأخذ برأس أكيه ج ر ر ُ إليه. อ่าดีมากครับ กาลบนาอ م ม ا ินน์อัลกอุมัส ي و ตอَุนีวกะดุยะกตُลู فَلَا تُشْمِتْ ا ء ล وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ฟิล like ิวและ أخي وأدخلنا في رحمتك อา له رب ي ف ِ ل ي و َ ل خ ي و َ أ َ د خ ل ن ا ف ي ر ح م ت ك و َ ن ت ر ح م ا ل ر ح ي م มาดูความหมายนะครับหลังจากที่กลุ่มชนบรีสรออินได้ทําการหลอ่อเป็นรูปปั้นลูกวัวนะครับซึ่งรูปปั้นนี้เนี่ยทํามาจากเครื่องประดับของพวกเขานั่นแหละบรรดาเครื่องประดับของพวกเขาเองก็เอามารวมเสร็จแล้วก็เอามาฝ่าวัยแล้วก็หลอ่อจนกระทั่งเป็นรูปวัวขึ้นมา แล้วก็เต้นดำทํำเพลงร้องแล้วก็บูชาแล้วก็บอกว่าสิ่งนี้คือพระเจ้าช่วงนั้นเองเนี่ยท่านนาบีมูซาก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เพราะว่าเป็นช่วงที่นบีมูซาไปรับอวฮีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวาตาละที่บุเขาตูรแต่คนที่อยู่ด้วยก็คือพี่ชายก็คือฮารูนนะครับแต่ว่าท่านนาบีฮารูนก็ พยายามยับยั้งอย่างสุดความสามารถแต่ก็ไม่สามารถจะต้านทานนะคนที่ทำเรื่องไม่ดีเหล่านี้ได้ซึ่งเอลเลอจะเล่าให้ฟังนะว่าถึงขั้นจะฆ่ากันเลยทีเดียวนะครับวลามารอยามมซาและเมื่อมูซาได้กลับมายังกลุ่มชนของเขาก็ แ, แปลว่ามาด้วยความกโกรธเลย อ่าแล้วก็เสียใจด้วยอาซีฟาโกรธแล้วก็เสียใจอันนี้เป็นเรื่องปกติเวลาเราเห็นคนทําชั่วเนี่ยเราจะต้องไม่รู้สึกยินดีกับเขาต้องโกรธอ่าเหมือนเราฟังข่าวเนาะโอ้โหข่าขมขืนมันโหดร้ายได้ดเกินเราก็จะรู้สึกมีความโกรธดังนั้นจะเห็นว่าเวลาคดีใหญ่ๆที่มันโหด ร, ร้ายเนี่ย ต้องการเอาจำนวนเอาตํารวจเนี่ยมากันเอาไว้เพราะจะเจอชาวบ้านที่เขาไม่เกี่ยวเลยหรอกจริงๆก็ไม่ได้ใช้ลูกเขาด้วยนะแต่ด้วยกับอารมณ์ความรู้สึกว่าเฮ้ยมันทําอย่างนี้นี่มันไม่ได้มันโมโหมันโกรธก็เลยมีคําว่าประชาทิปัตย์ปุบปักปุบปักกันไปบ้างนะตารวจก็ต้องการตามหน้าที่นะครับนี่แหละคือความโกรธที่เวลาเราเห็นเห็นสิ่งที่มันไม่ดีไม่งามเกิดขึ้นและนี่ทําผิดต่อรัตาร์แล้วเราเพิ่งช่วยมาเมื่อกี้เอง เพิ่งช่วยมายกหยกเนี่ยเพ้อแป๊บเดียวกับทอริยศต์ต่อล้อเล้วว่าอัศีฟาแล้วก็เสียใจกับการกระทาของพวกเขากอลบิสามาคอลัฟตูมูนีมิมบาดีเขาได้กล่าวว่าช่างเลวร้ายจริงๆที่พวกเจ้าเนี่ยทำหน้าที่แทนฉันหลังจากที่ฉันนั้นได้เข้าเฝ้าอัลลอฮ์าตาละ โดยปกติเรื่องของอีบาดาจะทําไม่ทําเนี่ยต้องให้ใครสั่งให้อัลลอฮ์สั่งแล้วอัลลอฮ์สั่งผ่านใครอะ่ะผ่านสั่งนบีมูซาแต่นี่เล่นเองเลยคิดเองไม่ผ่านนาบีมูซาไม่ได้เชื่อฟังอัลลอฮ์อาอาจินตุ้มอัมรอรบบีกุ้มพวกเจ้านี่ยดวนกระทําไปก่อนคําสั่งของพระพัวพิบาลของเจ้ายังไม่มีคําสั่งให้ทําแบบนี้แต่ไปทํา เกินทำก่อนแล้วมันก็ผิดด้วยสิไอ้ทำเกินเนี่ยไม่ใช่ถูกนะทำผิดด้วยแล้วก็เป็นเรื่องที่ร้ายแรงอันนี้ก็รวมถึงทั้งหมดนะฮะทำล่วงหน้าไปทำล้ำหน้าไปว่อัลก้ออัลวาห่ว่าข้าะบีรักอคีฮียาจุรูฮุอิเล่และเขาก็ได้โยนแผ่นจารึกซึ่งแผ่นจารึกนี้ก็มีอะไรมีบทบัญญัติที่อัลลอ์ได้ใช้ โยนทิ้งเลยโยนเลยแล้วก็จับศีรษะของพี่ชายก็คือฮารูนนะและก็ดึงเข้ามาดึงเข้ามาเพื่อจะพูดคุยบางรายงานเนี่ยบอกว่าดึงดึงหัวไม่พอบีเลียตีดึงเขาด้วยอ่าดึงทั้งหัวดึงทั้งเขาเลยหัวก็ดึงเขาก็ดึงนะแสดง สองมือกระชากเลยเอาเรื่องนะเอาเรื่องเอาเรื่องคืออย่างนี้มันมีฮะดีษบทหนึ่งบอกว่านบีบอกว่าเลซ斯ขับรุ่มเล伊斯เลขับรุกมลมอัยนะการที่เราฟังมาเนี่ยมันไม่เหมือนกับการที่เห็นด้วยตาแปลว่าอะไรสมมติเราฟังคนคนหนึ่งเล่า มันจับเด็กกดน้ําเสร็จแล้วมันปาดคอฟังนี่เราก็โมโหนะแต่ก็คงไม่เท่าไหร่เท่ากับคนที่อะไรเห็นกับตาเลยว่ามันทํำยังไงอ่านั้นไอตอนคนฟังเนี่ยมันอาจจะรู้สึกประมาณห้าสิบแต่คนเห็นเนี่ยไม่ใช่ห้าสิบละยิ่งกว่านั้นอีกแต่เหมือนกับพวกเราทุกวันเนี่ยเห็นมากับตาป่ะผมปล่าเราเขาฟังไม่ทีนแต่เล่าเนี่ยว่โหอารมณ์มาเต็มเลย อแต่จริงเนี่ยคนที่จะรู้สึกเยอะกว่านี่คือคนที่อะไรคนที่ประสบพบเจอเห็นกับตาแล้วนบีมูซาเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยรู้แล้วว่ากลุ่มชนของเขาทรยศอารู้ได้ไงอะ่ะรู้ตอนไปรับบัญญัตินี่ยแหละล่อบอกบอกว่าตอนนี้มูซารู้ไหมกลุ่มชนเจ้าที่อยู่เนี่ยทําการทรยศต่อฉันแล้วแต่ น, นบีมูซาเนี่ยเห็นไหมยังไม่เห็นก็รู้สึกโกรธหละแต่ยังไม่เห็นแต่พอไปเห็นกับตานี่เป็นไงถึงขั้น ต้องกระชากผมดึงเขากันเลยทีเดียวแต่ก็ถามกับนบีมูซาก่อนเอ้ขอโทษถามกับนบีฮารูนก่อนว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เพราะก่อนจะไปเนี่ยนบีมูซาฝากแล้วบอกว่านาบีฮารูนอ่าพี่ชายฉันชวนฉันไม่อยู่เนี่ยอย่าลืมนะทําทหน้าที่แทนฉันด้วยนะครับอ่ะมาดูนบีฮารูนตอบอยังไงเขานาบีฮารูนก็กล่าวว่า “ข้าว่าบุตรนะอุ้มนั่นแล้เขม่ตต่ฟูนนบีฮะรูนบอกว่า“โอ้ลูกของแม่”นะอันนี้หมายถึงเป็นพี่น้องกันไม่ใช่ว่านบีเ อ, อนบีมูซาเป็นเป็นเป็นลูกไม่ใช่หมายถึงว่าผมนบีฮะรุนกับนบีมูซาเนี่ยคือเป็นพี่น้องกันเรารู้เนี่ยลูกพ่อแม่เดียวกันอย่าเพิ่งใจเย็น เราวนะีพี่น้องกันนะไม่ใช่คนอื่นคนไกลพ่อแม่เดียวกันฟังฉันก่อนอ่าใช้สำนวนว่าเราเนี่ยลูกลูกพ่อแม่เดียวกันอินนัลเกามาสตาฟูนีแท้จริงกุนชนเหล่านั้นเนี่ยเขาเห็นว่าฉันเป็นผู้ที่อ่อนแอไม่เข้มแข็งเหมือนเหมือนเหมือนมูซาฮเหมือนน้องชายก็ไม่ค่อยฟังอาจจะอ่อนแอตรงเนี้ย อาจจะรวมถึงเรื่องของอะไรละ่ะเรื่องของบารมีด้วยอ้าวมันไม่ใช่แค่เรื่องกําลังอย่างเดียวนะบางคนเนี่ยพี่น้องพูดเหมือนกันเลยแตนน่อีกคนนึงฟังอีกคนนึงไม่ฟังเอาทําไมละ่ะเพราะเผลอในคนที่พูดคนแรกเนี่ยกําลังก็เยอะกว่าแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยอุศกว่ามีบารมีกว่าพูดแล้วคนฟังอ่าเนี่ยเขาเรียกว่าเรื่องของอ่อนแอนเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของกําลังอย่างเดียวอาจจะเรื่องของ วายาวุฒิคุณวุฒด้วยหรืออะไรบางอย่างที่มันเกี่ยวข้องนะแต่ถ้าพูดถึงความอ่อนแอเนี่ยก็แน่นอนว่านาบีมูซาเรารู้อยู่แล้วว่านาบีมูซ่าเอาเราให้กำลังเป็นไงมหาศาลอยู่แล้วอ่าแค่ท้องที่ในอกเนี่ยตายได้นะอ่าสิบคนเนี่ยหนึ่งต่อสิบกาลังเยอะนะครับนบีมูซาวะแกดูยะโกตูลูนานี้พอเห็นว่านาบีฮารูนเนี่ยอ่อนแอเนี่ยเกือบที่จะถึงขั้นฆ่า น, านาบีฮารูนเลยถ้าเกิดนบีฮารูนไปขวางเนี่ย อาจจะต้องตายเลยนะเสียชีวิตเลยเฟลตุชมิดเบียลอาเดดังนั้นจงอย่าให้ศัตรูทั้งหลายเนะี่ยดีใจต่อสิ่งที่ประสบกับฉันเลยแปลว่าจะทำการลงโทษนะบีฮารูนทะเลาะ ก, กันเนี่ยถามใหม่พวกนี้ก็ยิ่งบอกเข้าท่าเลยตีกันเองแล้วอ่านั้นเอาใหม่เราจับไม้จับมือร่วมไม้ร่วมมือกันแล้วหาทางไปไงแก้ไขปรับปรุงดีกว่า อ่าบางเรื่องเนี่ยด้วยด้วยความรักนะพี่น้องบางทีลูกเกิดมีปัญหาสมมุติลูกมีปัญหาแทนที่พ่อแม่เนี่ยจะนั่งจับมือกันแล้วคุยกันว่าเออเราจะแก้ปัญหากลายเป็นพ่อแม่ไปไงทะเลาะกันพอทะเลาะกันคันนี้ลูกไปไหนต่อไหนจเจริญเลยไหนบอก ม, มึงแล้วว่าจะทำยังไงเงี้ยไอ้ดีกัดสวนใบไอ้ดีกัดสังส่งใบสุดท้ายทะเลาะกันไปอีกเละกันไปอีกอันนี้อันนี้มันเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะปัญหานะ่ะมีอยู่แลว้วแต่ว่าอย่าสร้างปัญหาเพิ่ม ช่วยกันแก้แต่ถามว่าเวลาคนเราไปเจอเนี่ยมันโมโหอยู่แล้วแหละสมมติแหมเราฝากลูกไว้กับบอกแล้วเมื่อกี้ให้ดูให้ดีปั๊บต ก, กบนไดมาเนี่ยมันก็ต้องมีละอ่าแต่ไม่ใช่ด่ากันจน ก, กันทางเลือดเนีย่ยแตกไม่รู้จะแตกไงละพาไปหาหมอก่อนไหมอ่ก็ต้องกลับมาใหม่เอาใหม่นะมันผ่านไปแล้วอ่าเดี๋ยวต่อไปก็จะมีเรื่องของขอไยโทนนะครับ และบอกไงว่ลาตาจานนีมานเกามีซอรีมินและจงอย่าให้ฉันเนี่ยร่วมอยู่กับกลุ่มชนที่อาธรรมเหล่านั้นแต่สมมุตินบีมูซาเนี่ยบอกกับพี่ชายบอกว่าพี่ชายเจ้านี่นะไม่ได้ห้ามจริงไม่เชื่อหรอกเจ้าเนี่ยเป็นพวกนั้นกลายเป็นผักคนบีมฮารูนเนี่ยไปอยู่กับกลุ่มนั้นเลยเห็น <He ard S 2> ไหมถ้าไม่เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นก็กลายเป็นนบีฮารูนไปสมรู้ร่วมคิดอยู่กับตรงนั้นอีกก็กลายเป็นว่าเข้าทางอีก ทะเลาะกันก็เข้าทางอีกเห็นไหนั้นต้องกลับมาแล้วมาตั้งสติแล้วก็มาหาวิธีแก้ไขโกลล์รับเบลฟิรลีเขามูซาได้กล่าวว่าพอใจเย็นลงปับ๊บตรงนี้ใจเย็นแล้วนะพอบอกว่าฉันเนี่ยไม่ได้คนอื่นเลยเนะี่ยพี่น้องโดยการพ่อแม่เดียวกันไม่ได้เกี่ยวเลยไม่ได้เป็นคนสนับสนุนเลยท่ามแล้วแต่ว่าด้วยกับกาลังที่อ่อนแอแล้วไม่ฟัง นะแล้วก็อย่าได้ให้เราไปอยู่ในกลุ่มชนเหล่านั้นกลุ่มชนที่หลงผิดอ่าไม่มีอานาจเหมือนนบีมูซานบีมูซามีมูจีษจ้ะก็แล้วรบบิลฟิลีเขานบีมูซาจึงได้กล่าวว่าโอ้พระผู้อวยพนของฉันรบรบบิลฟิสลีแปลว่าโปรดอภัยโทษให้แก่ฉันวาลีอาคีและก็ให้พี่ชายของฉันด้วย อ่าถ้านาบีมูซายังกโกรธนบีฮารูนอยู่ถามว่าจะขอพยโทษให้ไ้ยก็ไม่ขอสิแสดงว่าฟังแล้วตอนนี้ใจเย็นแล้วอ่าบอกต่อว่าอะดาคินนาฟีโรมาติกและขอให้เรานั้นอยู่ในความเมตตาของพระองค์ด้วยเถิดใช้คำวานาแปลว่าเราแปลว่าทั้งคู่เลยทั้งมูซาและก็ฮารูน วะอันตรหามุรอฮิมีนอันนี้อันนี้เป็นคำสรรเสริญอัลลอ์ที่ยิ่งใหญ่นะบอกว่าไงและพระองค์นั้นคือพู้ที่ทรงเมตตายิ่งกว่าผู้เมตตาทั้งหลายนาบีมุฮัมมัดเราก็เมตตานะเห็นคนตกทุกข์ได้ยากท่านก็เห็นอกเห็นใจมนุษย์เนี่ยก็มีความเห็นอกเห็นใจแต่ไม่เท่าอัลลอ์รอก เมตา ย, ยัางไงก็ไม่เท่าอัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาแหละที่พระองค์นั้นพร้อมที่จะให้อภัยกับบ่าวเสมอแม้ว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่เราดูแล้วก็โอ้โหมันร้ายแรงนะเพิ่งช่วยมาเมื่อกี้เนี่ยลองลองนึกนะสมมุติเราช่วยคนมาสักคนหนึ่งอ่าช่วยทุกอย่างเลยแล้วอยู่ดีมันก็มาทําร้ายเราอีกโอ้โหป็นเรานี่ก็คงไม่ไม่อยากจะคบแหละเข็ดแล้วเข็ดแล้วทีเดียวอ่าแต่สําหรับ การให้อภัยขอลอสุบฮาณนะหูอตาลาเนี่ยผิดร้อยก็ให้อภัยผิดพันก็ให้อภัยแต่ขอให้ขอแล้กกันนะแล้วก็ไม่มีบอกว่ า, วาถ้าถ้าทาเกินเท่านี้แล้วจะไม่ให้คือพร้อมที่จะให้อภัยเสมอขอให้บ่าวเนี่ยขอไพร่โทษต่ตอพระองค์อย่างแท้จริงแล้วกันนะตรงนี้เนี่ยมีฮะดิษบทเนยเมื่อกี้บอกไปแล้วอิยะรฮมุลลอมูซา ขอ Allah เนี่ยทรงเมตตาแก่มูซาอันนี้นบีมูฮัมมัดพูดนะพออ่านมาถึงอายะดตรงนี้ไปนบีมูฮัมหมัดขอดูอาให้กับนบีมูซาไลซ์มอายินุลกลมุคบิรการเห็นด้วยตานั้นไม่เหมือนกับการที่บอกเล่าให้ทราบอ่าบางคนก็อาจจะไปไปไปพูดในลักษณะนบีมูซาทำไมไม่ซอบัดไปขยุมหัวพี่ชาย ไปจับเข่าดึงมากระชากมาเนี่ยนบีมูฮัมมัดของเราออกตัวให้บอกว่าก็พวกเราเนี่ยแค่ฟังไม่รู้สึกเท่าไหร่ยังไม่รู้สึกเท่ากับคนที่เห็นเหมือนนบีมูซาเห็นไหมเออไม่ให้ไปคิดไม่ดีกับนบีมูซาว่าทําไมนบีมูซาไม่รู้จักซอบัดล่ะเห็นกลุ่มเห็นนบีฮารูนทําไมนี่ไงเพราะว่าเราไม่ไดีเห็นกับตาเราแค่ฟังมานั้นความรู้สึกมันไม่เหมือนคนที่เห็นกับตา ร บ, บูฮูอันสวาจันขอ Allah ทรงเมตตากับมูซ่าด้วยอันนั่นเขมาฮูฟุตินูบ้าดหูกลุ่มชนของเขาได้หลงผิด Allah ในบอกให้มูซาทราบว่ากลุ่มชนเขาหลงผิดหลังจากนั้นเขาไม่อยู่แต่มูซาก็ยังไม่ได้โยนแผ่นลงจนกระทั่งมูซาเห็นออีกเรื่องหนึ่งที่ที่อาจจะที่อาจจะคิดไม่ดีกับนบีมูซาคือโยน โยนะยนดํ m รัดของล่อที่ไปรับมาเนี่ยทิ้งแต่ตอนนั้นก็อย่างที่บอกว่าด้วยความโกโรธคือถามว่าคนที่ทำชิริกต่อล่อเนี่ยจะมาฟังอะไรที่อยู่ในอยู่ในบ อ, อยู่ในอะไรนะอยู่ในบันทึกล่ ะ, ะสมมุติเนี่ยเราจะไปสอนให้คนคนหนึ่งเนี่ยให้ละมาดสมมุตินะละมาให้ดีนะแต่มันนี่มันเล่นยาบ้า ท, ทุกวันเลยเนี่ย เราจะสอนมิลาศยังไงคือมันเป็นความชั่วที่ต้องไปขจัดความชั่วนั้นก่อนถึงจะเอาความดีเนี่ยสอนไปก่อดสอนได้อันนี้ก็เป็นอิทธิศรีหนึ่งว่าร้นเนี่ยเราจะสอนกันเรื่องความดีแต่ถ้าความชั่วยังไม่ทิ้งเนี่ยบางทีมันสอนแล้วมันไม่เข้าก็ต้องให้ลดต้องให้เลิกให้ตัวเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนแต่คำว่าบริสุทธิ์ตอนนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีผิดเลยนะอะไรที่เป็นเรื่องใหญ่ใหญเนี่ยต้องทิ้งก่อนต้องทิ้งเชริศก่อนต้องทิ้งบิดาก่อนต้องทิ้งเรื่องของการเป็นกูฟอดก่อนหลังจากนนั้ค่่่อยเเติิมสงทีป็น ความดีงามเป็นอามันเข้าไปนั้นชัยตอนมันไม่มันปล่อยเลยนะทมุตคนคนหนึ่งทำชีริตต่ อ, อร้อนเนี่ยเราจะเห็นนะบางคนเนี่ยทำชีวิตต่ อ, อร้อนแต่อามัตเนี่แข็งมากนั่งวิกิตเป็นพันๆครั้งเป็นห10มื่นครั้งอ๋อไปเหอะสเกิดไปเหอะเพราะว่าศูนย์หมดแล้วเมื่อทำชีวิตต่ อ, อร้อนนี่หมดแล้วอ่ามปล่อยเลยจะลงมงค์ละหมาดยังไงละหมาดไปเหอะเพราะเป็นศูนย์หมดนะครับอ่ะเดี๋ยวอ่านต่อนะอายัดทีหนึ่งร้อยห้าสบสองกับร้อยห้าสิบสาม إن الذين ت ّ خ ذ ا ل ع ج د ل سيان لهم غضب من ربهم. إن الذين تأخذ العيد ل َ سيان لهم غضب من ربهم. سيان لهم غضب من رب بِهِمْ و َ ذ ِ ل َّ ة ٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا سَيَنَالُهُمْ و َ ض َ ب ُ م ْ م ِ الْرَّبِّ بِهِمْ وَظِلَّتُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ ن َ ج َ ز ِ ي ا ل ْ مُفْتَرِينَ وال الذين عمِلوا السيئات ثم تابوا من بعدها وال الذين عمِلوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا وا بعد وا إن ب َ ك ِิ ب ع د ِ ه َ ا لغفور ََُ الرحم َ و و َ ل َ م ا س ك َ تعموس الغضب َ เอาด้วยอัลลอฮฺว่าแล้วเับคุรม บิฮิมยรฮะบุนอุูดาวะมตุลิลละฮุมลิรบบิฮิมยรฮะบนอ่ะมาดูความหมายอินน่อัลลดีอินนันละดีแปลว่าแท้จริงบรรดาบรรดาผู้ที่ อิตตะขอดูยึดเอาอัอนไหลจลยึดเอาลูกวัวกะทิปั้นมันั่นแหละเป็นที่เคารพบูชานะต้องใช้คำว่าเคารพบูชาหรือเคารพสักการ ะ, ะแต่คำว่าเคารพอย่างเดียวเนี่ยไม่มีปัญหานะวันนั้นฉันสอนไปแล้วคำว่าเคารพอันนี้เราสามารถให้กับ บุคคลด้วยกับการให้เกียรติกันเช่นเคารพพ่อแม่เคารพเชื่อฟังพ่อแม่แต่เราไม่สักการะพ่อแม่เราไม่กราบไหว้เอาดุเอาทูบเอาเทียนเอาดอกไม้ไปไหว้พ่อแม่มีไหมไม่มีศา ส, สนาอิสลามเราไม่มีแต่เราใช้คําว่าเคารพสักการะต่อร์สุบฮานอหัวตาลาเพียงพระองค์เดียวแต่การเคารพกันเนี่ยเป็นเรื่องของมารยาททางสังคมเจอผู้หลักผู้ใหญ่ก็ต้อง เคารพให้เกียรติท่านแม้กระทั่งมัสยิดเนี่ยก็ได้เคารพมัสยิดก็แปลว่าให้เกียรติกับสถานที่แต่อิบาร์ดาต่อรอแต่ว่าสการะต่อรอเนี่ยมันต้องแยกกันนะบางคนเนี่ยเอาคําคว่าเคารพใช้ไม่ได้เลยอย่าไปใช้คําว่าเคารพเคารพภาษาระวัติแต่ให้แปลว่าการให้เกียรติแค่นั้นเองให้เกียรติกันได้ไหมละ่ะนิสลามสอนให้เกียรติผู้หลักผู้ใหญ่มาต้องให้เกียรติแค่นั้นเองแต่ว่าให้เกียรติตามสถานะที่เป็นมนุษย์ด้วยกันไม่ใช่ให้สถานะเหมือนอันล้อมันนี่ไม่ได้ แต่ถ้าเกิดคําว่าสักการะปั๊บจบเลยอันนี้ถ้ามีกับสิ่งอื่นนี่ถือว่าเป็นชิริกเลยไม่ได้สักการะต่อลอตาลาเพียงพว์เดียวนั้นตัวนี้เขาใช้คําว่าเคารพ บ, บูชาหรือเคารพสักการะแสดงว่ามันมีเรื่องของชิริกเข้ามาเขายึดเอาลูกวัวเป็นที่เคารพบูชาหรือเคารพสักการะสะเจนาลูหุมกอตอบุญนั่นแหละความโกรธของพระอับพระผู้อภิบาลของพวกเขา ความโกรธกริ้วจากพระผูยบาลของพวกเขาว่าดิลลและก็ความตกต่ำในชีวิตของเขาจะอยู่ทั้งในโลกนี้และก็จะประสบแก่เขาอ่าพอหลังจากนี้เนี่ยก็จะเจอบททดสอบอีกหลังจากที่รอดมาจากบันิสรออินก็ต้องมาริน่นมาร่อนเร่อยู่ในทะเลทรายก็เจอก็เกิดจากการที่พวกเขาเนี่ยละทิ้งคำสั่งของลอตาลาอ่าอันนี้ นำเรียนกับพี่น้องทั้งหลายว่าชีวิตคนเราเนี่ยจะมีเกียรติหรือตกต่ําเนี่ยส่วนที่สําคัญมากๆก็คือการที่เราละทิ้งการเชื่อฟังอลอตตาละอล่ะเราไปดูสิคนที่อยู่ในคุกเนี่ยคนที่อยู่ในคุกเนี่ยสาเหตุที่ติดคุ ก, กก็มาจากอะไรก็มาจากทาเรื่องทึ่ต้องห้ามในหลักการค้ายาบ้าค่าคนลักขโมยวันก่อนดูข่าวฉันก็ไม่รู้จะสงสารใครแม่เนี่ย ไปชี้หน้าด่าผู้ชายคนหนึ่งที่เขาทําร้านก่อสร้างแกก็อยู่คนเดียวไว้ช่วงแกไม่อยู่กลางวันเนี่ยแกก็เลยมีขึงลวดเอาไว้เป็นขึงลวดไฟฟ้าแต่ไม่ได้ขึงทั้งบ้านหรอกตอตรงประตูนเนี่ยไม่ได้ขึงคืนไว้ที่มันเป็นทางลอดตรงกําแพงมันมีช่องอยู่ก็เลยขึงเอาไว้แล่ลูกชายปนโปรดของแม่เนี่ยเข้าไปขโมยของก็โดนไฟช็อตตายโอ้โหแม่เขามาดา่าฆ่าลูกเขาทําไม ทำไมถึงตั้งข่ามันขโมยก็จับไปสิไอ้ลุง ก, ก็บอกจริงไม่ได้ฉันเนีไม่ได้กัน้นขโมยแล้วฉันกัน้นหมาหมามันชอบมากัดลูกไก่หมามันมุดช่องกระแพงมากัดลูกไก่ก็แล้วไฟฟ้าขึงเอาไว้นะก็เป็นคดีความกันนะแต่ในเน็ตเนี่ยเขาบอกว่าแหมลูกแม่ก็ไม่ธรรมดานะอะทั้งติดยาทั้งขี่ขโมยเอออ่ ะ, อะเนี่ยก็ด้วยความรักว่า บางครั้งเนี่ยจะไปโทษคนนู้นคนนี้ก็ไม่ได้ก็ต้องถามว่าเออเราเนี่ยทําถูกไหมถ้าเข้าทางประตูเนี่ยไม่มีโดร์ไฟฟ้าหรอกไอ้นี่มุดรั้วเข้ามานะเจตนาไม่ดีแต่ว่ามก็ถึงไม่ถึงแต่ก็ต้องผิดกฎหมายนะพาไปถึงขั้นตายก็อาจจะเป็นฆ่าคนโดยความประมาทกว่าไปแต่ลุงเนี่ยซวยแล้วแหละอแต่ด้วยกับพี่น้องเล่าพี่น้องฟังว่าเมื่อเอารถโกรธเอารถจะโกรธเมื่อบ่าวคุณพรองค์ฝ่าฝืนอันนี้เป็นเรื่องปกตินะ เพราะบางคนเนี่ยโลกสวยอุย้ยมันจะกินลงกินเล่าเนี่ยอะไรมันรอั Allah อัลลอฮ์ทรงเมตตาอา้าวแล้วก็ตกลงนี่มันจะมี ม, มีทำไมเราเราโกรธอัลลอฮ์ เ, เมตตามีทั้งโกรธและก็เมตตานะครับขึ้นอยู่กับพฤติกรรมเราอ่าวาซิลละตุนฟิลฟิลไฮยะติ ด, ดุนยาและชีวิตก็จะตกต่ําในโลกนี้ไร้เกียรติไม่มีบารักัดชีวิตไม่มีบะะารักัดวกะดาริกานะจซิลมุฟตารีนอัลลอฮ์วากบัด บอกว่าไงและในธรรมนองเดียวกันนั่นแหละเราจะตอบแทนการลงโทษให้แก่บรรดาที่พูอุปปลกความเท็จขึ้นมาก็คือไปตั้งพระเจ้าอื่นเอาลูกวัวเป็นพระเจ้านะอันนี้เขาเรียกเรื่องความเท็จอุปปลกขึ้นมาวันลดีนาฮ์มีลูไซยาตีและบรรดาผู้ที่กระทำความชั่วซุมมาตาบูแล้วก็สำนึกผิดกับเนื้อกับตัวกับใจ หลังจากนั้นวะอามานู u, แล้วก็ศรัทธาแท้จริงอินนารบเบกมิมบ้าดิฮาแล้วก็ฟูรุรอฮีมแท้จริงพระบุบานของเจ้านั้นย่อมเป็นผู้อภัยโทษ <c oughs> และก็ผู้ทรงเมตตาหลังจากนั้นอันนี้ที่ฉันบอกว่าความผิดมันจะร้ายแรงขนาดไหนแต่ก็ไม่เกิน ไม่เกินที่อัลลอฮฺะจะให้อภัยแต่สำคัญคือตาบูก่อนนะตาบูนี่แม้ว่าขอกับเนื้อกับตัวก่อนถ้ายังไม่กับเนื้อกับตัวเนี่ยอันนี้ไม่ได้นะอต้องกับเนื้อกับตัวเปลี่ยนแปลงตัวเองเสียใจในความผิดหลังจากนั้นก็วะอามานูก็มาศรัทธาทำคุณงามความดีลบล้างความชั่วมันมีเรื่องสมัยนบีมุฮัมมัดเรา มีรายงานจากบูฮาติมได้ไรายงานมาจากอับดุลละอับดุลลอบดิดมัสูดความจริงเขาได้ถูกถามอับดุลลอบมัสูดเนี่ยถูกถามนะถูกถามบอกว่ามันมีชายหญิงคนหนึ่งเนี่ยซึ่งมันไม่มีหลักฐานหรอกแต่เป็นที่รู้กันคำว่าหลักฐานอรง น, นี้ที่จะเอาไปฟ้องเพราะว่าถ้าจะไปฟ้องเนี่ยมันต้องใช้คนเห็นกับตาสี่คนแต่เขาอาจจะเห็นคนเดียวเนาะ เห็นสองคนก็ไปฟ้องไม่ได้ก็ต้องเก็บไอ้ความรู้สึกเนี่ยเอาไว้แต่เห็นเลยว่าทําจินามันก็ทํากันจนกระทั่งไม่รู้มันหนาใจหรือยังสุดท้ายมันไปแต่งงานกันทําจินาอยู่นั่นแหละจนกระทั่งวันหนึ่งแต่งงานปรากฏก็มาถามอับดุลรนมาสุดว่าท่านคิดยังไงกับชายหญิงคูเนี้ยที่แต่งงานกันเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นไงโอจีนามาเยอะแล้ว นะและตอนหลังก็มาแต่งงานก็ไม่ได้แต่งงานคนอื่นนะก็แต่งงานกับคนที่ทำศีน้านี่แหละแล้วก็มาแต่งงานอ่ะอับดุลรอดพูดไง و ا ل ม ي نامل السياتي سمتا بمن بعدها وأمنو إن ربكم من بعدها แล้วก็ฟูร์รอหิมอับดุลลอดห น, นูนบบ ม, มาสุดตอบด้วยอายะนี้อ่านถึงสิบครั้งอ่านสิบครั้งให้ฟังเนี่ยว่ามันเป็นเรื่องเขาในอดีตแล้ว เขาจะดีนากันมาเป็นร้อยครั้งแต่วันนี้เขามาหนีกาแลว้วก็แต่งงานเขาตั้งใจใช้ชีวิตคู่ในสานะสามีภรรยาอย่างถูกต้องตามหลักการและเกจะไปสาวความยาวไปพูดถึงทําไม อ, ะอ่ะอ่าบางทีมีนะมางานแต่งโอ้มันดีนากันมาซะเกิดดน้ำพุ่งมาแต่งวันนี้เด้อเออเอาตัลงนี่มันยังไงตัวตรงให้มันให้แต่งหรือมันยังไงให้แต่งไหมให้แต่งก็คือจบเขา กับเนื้อกับตัวแลว้วเขาเลิกแลว้วแล้วต่อไปนี้เขาอาจจะกลายเป็นผู้ศรัทธาและก็ปฏิบัติคุณงามความดีแล้วจีนามันก็ไม่มีแลว้วเพราะอะไรล่ะเพราะแต่งงานแล้วในเรียกจีนาแลว้วเนี่ยคือการกลับเนื้อกับตัวถ้าไม่แต่งงานเน่ะจีนาใช่ไหมแต่นี้เขาแต่งงานแล้วเนี่ยอับดุลเลาห์มสุดอ่านอายะนี้สิบครั้งนะวันเวลาใครมีเรื่องพวกที่ชอบขุดขุดเรื่องเก่าๆมาพูดไอ้นี่น่ยมันอร่อยคนนักแหละเรานี่นเป็นตัวเป็นตาอ่านอายะนี้ไปให้ฟัง ว่าเขาเตาบัตรตัวแล้วจบแล้วไอ้เรื่องเก่าๆมาเนี่ยอัลลอฮ์ล้างให้หมดแล้วนะอ่ะอันนี้ตัวอย่างหนึ่งนะอายะ น, นี้อ่ะอายะที่อะไรอายะที่หนึ่งร้อยห้าสิบสามในสุรออัลอารอฟเตือนใจนะคนที่อาจจะอดีตมีอดีต ท, ที่เลวร้ายแต่วันหนึ่งกับเนือกับตัวแล้วอัลลอฮ์ให้อภัยนะครับและเมื่อความกริ้วโกรธได้สงบลงซากาตาเงียบคนเราเนี่ย เวลาโกรธอ่าความความโกรธเนี่ยมันจะถูกระงับด้วยกับอย่างแรกเลยก็คือคำพูดก่อนการแสดงสีหน้าเนี่ยยังไม่เท่าไรแต่เส้นสีหน้าเนี่ยมาชัดนะเวลาโกรธปั๊บหน้าเปลี่ยนสีเลยแต่มันยังไม่เท่าไรเท่ากับพูดพูดปั๊บนี่ขึ้นใหญ่เลยเราะนั้นเงียบก่อนพอเงียบเสร็จปุ๊บเดี๋ยวหน้ามันจะค่อยๆ ค, ย ค, ยคาย อ่าพอพูดไม่พอคันนี้คันนี้สวนแล้วนี่ใชหมัดใช้อะไนี่หนักเลยนั้นความสงบเริ่มแล้วค่อยๆผ่อนคออลคายนะอาคอดันอลัลวาวก็ไปเอาแผ่นบันรึกมาเมื่อกี้โยนไปแล้วโยนทิ้งไปพออาญะนี้บอกว่าเมื่อความโกรธกิ้วได้สงบลงจากมูซาเขาก็ไปเอาบรรดาแผ่นจารึกที่ไปรับมานี่ะนะเอามา และก็บอกต่อว่า ah วาฟีนุสคอติฮาฮูดาวอร์ฮ์มะและในสิ่งที่จะรึกนั้นเนี่ยมีคําแนะนำวอร์ฮ์มะมีความเมตตาแก่บรรดาลิลเลดีนาหุม่มแก่บรรดาพูดที่อะไรยะราบูนแก่บรรดาผู้ที่มีความเกรงกลัวต่อพระผูะ้อภิบาลของเขาอ่านักอ ธ, ธิบายได้ อธิบายว่าจํานวนมากเลยนะแผ่นจารึกเมื่อเขาได้โยนมันไปมันก็แตกบ้างและท่านก็ได้เก็บรวบรวมมาไว้น่ะแล้วด้วยเหตุนี้บางชาวสารับบางคนจึงกล่าวว่าเขาได้พบว่าในแผ่นจารึกระบุทางนําและความเมตตาอยู่ด้วยและสิ่งที่ไม่ได้แตกละเอียดไปทั้งหมดแต่แตกแค่บางส่วนแต่ก็ยังอยู่แตกบางทีก็ไม่ได้ถึงขั้นถึงขั้นหายไปเลยก็เอามาต่อก็เหมือนเดิมอ่า ไม่ใช่แตกละเอียดจนกระทั่งไม่มีคำอะไรอ่านไม่ใช่แตกหักไปบ้างแต่เอามาต่อปั๊บก็เนื้อเนื้อความก็ยังอยู่เหมือนเดิมอ่ะอ่านต่อวักตารมูซากูมะฮูซาบอีนราจุลลิมีกอตินาวั่า فلما أخذتهم الرج فتقال َ ربي ل و ْ ش ت ه ك تهم قال ربي ل َ أشيه แต่ أهل ก็ท่านมีค و ามลุ่ยยัยอัลลอต่ أهل ก็ท่านมีควา ي ลุ่ยยัยอัตุลกุบมา فعل สุฟะฮ์ อุ้มินนะ إ ินหี่อิ ت ล่าฟُซ ب ต ه م ัดดิลลุบิฮะมั ش ต์ ท้าวเหลยนาฟ้อฟิร์ลานาวรหัมนาแ ا ะอัตไครักฟิร แ ن ้ ف ِน ه ี่นِ้ใ ا โลกนี้ ي ราได้รับความ ا ีในชั่วชีวิตน บ ب, ب ي อัซซิบุบิฮิมะเชษ์วะราะห์มัตีวะสิยต์คุลล์ชัย ฟาสั่งตบหัวَี่น่าจะต้องแลُจะต้องَักการศึกษา ทูนละ Zakat و َ ا ل ุมบ ن َ هُمْ بِآياتِنا يُمنون و َ ي ُ ط ُ ن อะมาดูนะครับความหมายนะว a s t a r แปลว่าเลือกคัดเลือกนบีมูซาก็ได้คัดเลือกเกามาหูจากกลุ่มชนของเขาแหละก็คือบันิสรออีนเนี่ยเป็นจำนวนซบาอนนะตรงนี้แปลว่าเทาา่าไหร่ซาบะอินเจ็ดสิบจ้สซบะอ่าเจ็ดสิบคน เจ็ดสิบคนจากกลุ่มชนของพวกเขาอ่าเป็นผู้ชายสำหรับกําหนดเวลาของเรานะมีกําหนดเวลานะไปเนี่ยมีกําหนดเวลากลับไปขอไพร่โทษ ต, ต่อน้องครั้งเมื่อความไหวอันรุนแรงได้ฆ่าพวกเขาได้ฆ่าพวกเขาพวกเขากล่าวว่าโอ้พระพุยบาลของฉันหากพระองค์ทรงประสงค์แล้ว พระองค์ก็ทรงทําลายพวกเขาไปก่อนแล้วพร้อมถังฉันด้วยอคือในความดื้อของบันิสรออีนเนี่ยถ้าอัลลอฮ์จะจัดการตั้งแต่แรกก็คงจบไปแล้วแล้ ว, ลวรวมถึงนบีมูซาก็คงไม่ได้เกิดมาด้วยใช่ไหมเพราะนาบีมูซาก็เป็นบันิสรออีนเหมือนกันถ้าจัดการเหมือนกับพวกอาร์ตพวกสมุทนนี่หมดแล้วไม่เหลือแต่นี่อัลลอฮ์ก็ทรงให้อภัยโทษเมื่อเขา ได้ทำผิดอ่าเพราะองค์ก็จะทรงทำลายพวกเราเนื่องจากการกระทำของผู้ที่โฉดเขาในมู่ในหมู่พวกเรากันนั้นหรืออ่าอาอมทรงเมตตาก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แบบกำจัดแบบสิ้นตระกูลไม่ใช่เพราะก็หลังจากนั้นก็จะมีบรรดานาบีมาจนกระทั่งถึงนุบีซาเนี่ย มันไม่ใช่อื่นใดเลยนอกจากเป็นการทดสอบของพระองค์เท่านั้นเอ้คือการทดสอบบางคนผ่านการทดสอบก็ได้รางวัลอย่สมมตินเนี่ยมันมีบททดสอบเหมือนกับตอนนี้แหละมันมีบางบางอย่างที่พยายามจะดึงให้ออกจากการพักดีต่อนล้อแต่ก็แลกมาด้วยกับสตังค์สมมุติโอ้ยทำอย่างเนี้ยแต่ต้องแลกกับการที่เรา อาจจะแต่งตัวไม่เรียบร้อยบัง่งละหมาดไม่ครบบ้างอะไรบ้างบางคนก็ยอมแรกก็แสดงว่าไม่ยอมไม่ผ่านบททดสอบแต่บางคนไม่เอาจะตังเท่าไหร่แต่ถ้าไม่ได้ละหมาดไม่เอาอะของานธรรมดาก็าพอแต่ได้ละหมาดเห็นไหมก็คือเหมือนกับเป็นบททดสอบอย่างหนึง่งแต่ว่าบททดสอบนี่ยถ้าผ่านก็คือรางวัลเลยสวรรค์ถ้าไม่ผ่านก็ไปนรกเลยก็มีนะ ไม่ใช่อื่นใดเลยนอกจากเป็นบททดสอบของพระองค์เท่านั้นพระองค์จะทรงให้ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์หลงผิดเนื่องด้วยการทดสอบนั้นก็ได้หรือจะทรงให้ทางนำแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ก็ได้อ่าก็ขึ้นอยู่กับจิตใจของพวกเขาพระองค์นั้นคือผู้ทรงคุ้มครองพวกเขาไว้อยู่ดังนั้นโปรดได้ให้อภัยแก่พวกเราและเมตตาแก่พวกเราได้เถิด และพระองค์นั่นคือผู้ที่ดีเยี่ยมที่สุดในการให้อภัยทั้งหลายานีก่ก็การชมชื่นชมต่อลสรรเสริญอัลลอฮ์าตายแล้วามาดูในฮะดีสนะมุฮัมมัดบินอิสฮากได้เล่าว่ามูซาได้คัดเลือกชายจำนวนเจดสบคนจากวงวานของอิสราม อ, อีนโดยคัดเลือกคนดีๆไป เวลาบอกคัดเลือกนี่ต้องเลือกของดีๆเนา ะ, ะถ้าเลือกของไม่ดีนี่ไม่ได้คัดเลือกนี่สุม่มถ้าสุ่มนี่แสดงว่าใครก็ได้แต่ถ้าคัดเลือกก็ต้องเอาคนที่ดีๆมีคุณภาพไปอ่าและเขาก็ได้กล่าวว่าพวกท่านจงออกเดินทางไปยังอัลลอ์เพื่อไปขออภัยโทษ ต, ต่อพระองค์ถึงสิ่งที่พวกท่านได้ทำเอาไว้ก็คือทำชีริกต่ออัลลอฮ์และขอกับตัวกับใจต่อพระองค์เสีย โดยที่พวกท่านจะต้องถือสินอดเงื่อนไขนะให้ถือสินอดด้วยอันนี้เฉพาะบั น, นีสร อ, อีนแต่พวกเราเนี่ยสมมติถ้าเราทำบาปอะไรทุบไปทําจินามาไปกินเหล้ามาจะเตาบัตรเนี่ยต้องถือสินอดไหมไม่มีไม่มีไม่ ม, ม, มีบอกแบบนี้อ่าของเราที่เตอบัตรเลยไม่ต้องทําอะไรอะ่ะยกเว้นทําบาังคันที่มันเป็นเรื่องของฟิดค่าปรับอีกเรื่องหนึ่งไปไปไปค่าคนตายโดยไม่เจตนาเนี่ยมีถือสินอดอันนี้มีถือสินอด สองเดือนติดไปฆ่าคนโดยไม่เจตนาเกรดกัฟฟาร์ามีค่าปรับหรือไปร่วมประเวณีตอนกลางวันน่ยผู้หญิงผู้ชายไปมีอะไรกันตอนกลางวันสืบสวดก็ต้องกัฟฟารอกัฟฟาร์ลหมายถึงฆ่าคนโดยไม่เจิตนากับค่าปรับนี่มีเยอะนะถือที่อดเนี่ยมีตั้งแต่สองเดือนติดมีสามวันก็มีแม้กระทั่งไปทําฮนะัตเน่ยถ้าไม่มีตังเสียดําอ่ะก็ให้บวช สิบวันอ่าอีดาโรยาตุมกลับมาที่นู่นสามมาจาอีกเจ็ดเป็นสิบวันเขาได้ค่าปรับนะแม้กระทั่งสาบานท็จใช่ไหมอ่าให้จ่ายอาหารแล้วก็บวชสาวันแต่บวชสามวันเนี่ยหลังจากจ่ายอาหารไปแล้วถ้าผิดคําสาบานเนี่ยจ๋าบวชไงสมมติไปทำพัดไม่มีตังเสียดําก็ใช้บวชแทนได้ถือสิลดถ้าไม่มีตัง บวที่นั่นสามวันช่วงของเอียรอมตอนที่อยู่ที่โดที่อยู่ที่นุ่นที่วันตัรวิยนะเนี่ยนับไปสามวันแล้วกลับมาบวชอีกที่บ้านอีกเจ็ดวันเป็นสิบวันสำหรับคนไม่มีดำชื้นเนี่ยแต่เดียวนี้เขาเตรียมตังไปหมดแล้ว ม, มันมีมันมีทางออกเลยมิะนไม่มีไม่มีตังก็ตายเลยไอ้คนไม่มีตังจะทาไงอะ่ะก็ต้องมีมีแหละมีถือสินอนอันนี้ เป็นเรื่องตาบัตตัวเาบัตัวถ้าเป็นเรื่องชีริก่ไม่มีนะของเราไม่มีกาทำชีริกแล้วไม่ต้องไปดีไม่มีแต่เนี่ยสำหรับใีมูซาถือสินอดทำความสะอาดร่างกายเสื้อผ้าแล้วท่านก็จะนาพวกเขาไปยังภูเขาตูรซินีซนายภูเขาตูรีซีนเนี่ยตูรซีนายตามที่พระองค์ได้ทรงนัดกำหนดเอาไว้ หลังจากที่ชายเจ็ดสิบคนนั้นได้ปฏิบัติตามคำสั่งของนบีมูซาแล้วทำอะไรถือศีลอดชำระร่างกายเรียบร้อย mm. ก็เดินทางไปเพื่อ mm. ไ, ไปพบอัลลอฮ์และเขาก็ได้กล่าวแก่มูซาว่าขอท่านได้ขอให้พวกเราเนี่ยได้ฟังดํารัดของผู้บานด้วยเถิดมูซาตอบว่าได้ฉันจะขอให้แล้วเมื่อมูซาใกล้จะไปถึงภูเขานั้นเสาที่แบกรับก้อนเมฆก็ตกลงมา อันนี้ผมอ่านตามนะี่ยังไม่ได้อธิบายนะจนกระทั่งภูเขาได้พังทลายลงมาและเมื่อมูซาไปถึงบริเวณนั้นก็ได้กล่าวแก่กลุ่มชนนั้นว่าพวกท่านจงเข้ามาใกล้ๆอีกและปรากฏว่ามูซานั้นเมื่อเอาล็อตัดกับเขาที่หน้าผาของเขานั้นก็มีรัศมีสีขาวปกคลุมอยู่โดยไม่มีมนุษย์คนใดสามารถมองเห็นได้พระองค์จึงได้ทรงทาให้สิ่งที่ปิดกั้นอยู่พระองค์งทรงจึงทาให้มีสิ่งที่ปิดกั้นอยู่ จนกระทั่งกลุ่มชนของพวกเขาเนี่ยเข้ามาใกล้บริเวณที่มีก้อนเมฆตกอยู่และพวกเขาก็ก้มลงสุยุดและก็ได้ยินเสียงของพระองค์ดํารัดของต่อมูซาเจดสิบคนตามไปโดยสั่งใช้ให้ทําสิ่งนั้นห้ามสิ่งนี้เมื่ออัลลอฮฺตาเลได้ตัดกับมูซาเสร็จสิ้นแล้วเมฆที่ปกคลุมมูซาก็จางหายไปและเขาก็ได้หันมายังกลุ่มชนของพวกเขาและพวกเขาก็กล่าวว่าโอ้มูซา พวกเราใจยังไม่เชื่อท่านจนกว่าจะได้เห็นอัลลอฮ์อีกอันนี้เคยกล่าวมาแล้วในสุรอบะกรรอที่เราเรียนมาขอเห็นอัลลอฮ์อีกนะและความเคลื่อนไหวและความและความไหวตัวของแผ่นดินและเสียงกำมนา่ก็ดังขึ้นวิญ ญ, ญาณก็ออกจากร่างไปจะเสียชีวิตาาตายหมดเลยและมุสาวก็ลุกขึ้นแล้วขอวิงวอนต่อ Allah. เนี่ยโอ้พระผู้อวยพรของฉันถ้าหากทำํำลายแล้วเนี่ยก็จะหมดก็ก็ขอดูอาบทนี้นะ สุดท้ายนี่ฟื้นใช่ไหมที่เราอ่านน่ยตอนที่สุรบากกรรจําได้ไหมขับไปสุรบากกรรอะเรื่องเนี้ยที่ขึ้นไปขับขึ้นไปขึ้นไปอะไรนะก็อยากเห็นเอาล้อแล้วล้อก็ลงโทษแล้วก็มีให้ฆ่ากันเองด้วยนะหมายถึงให้ให้ฆ่ากันเองด้วยเป็นการตอบบ้านตัวอืมต้องย้อนกลับไปคือในสุระบากกรรเนี่ยจะเป็นสุรที่ละเอียดกว่าเพราะเป็นสุรามาเดรียส่วนอันเนี้ย เป็นช่วงแรกที่กล่าวถึงนบีมูซาเพระอยู่ที่ช่วงมักเกียนคนละที่กันนั้นเวลาตับซีดเนี่ยอันนี้เขาจะไม่ลงละเอียดละพอะไรเพราะว่าเขาเลยตับซีดไปละเอียดตอนบักรออืมนะอันนี้ต้องตามที่มันมีฮะดิษบอกนะคิดเองเออเองไม่ได้เนี่ยบันทึกโดยตับรอ น, นีพรเป็นตับซีดนะขอมาอัพด้วยเอ่อันไหนฉันไม่เข้าใจถึงก็จะไม่พูดนะกลัวอีกคำหนึ่งคําว่า กูรฟูกูรฟูคำว่าอภัยโทษอภัยโทษเนี่ยพี่น้องรู้ไหมว่ามันมีความหมายอยู่สองอันหนึ่งก็คือปกปิดเวลาเราขอให้อัลลอห์เนี่ยอภัยโทษเนี่ยคือขอให้อัลลอห์เนี่ยปกปิดขอไม่ดีที่เราเคยทําเอาไว้ใครเคยถ่ายคลิปเราไว้ขอให้คลิปนั้นพังซะจะได้ไม่ออกมา <laughs> แต่เราขอขวาไว้โทษแล้วไงใช่ไหมอันนี้เป็นคลิป เออให้มันลบให้มันทิ้งไปให้ปกปิดเอาไว้ให้มันมีเหตุอ่าส่วนอีกคํานึงคําว่ากูฟรูเนี่ยยังมีความหมายว่าอย่าให้เราได้ผิดซ้ําผิดสร้างในอนาคตอีกอ่าเนี่ยเวลาขอพระยโทษนั้นหนึ่งขอให้ลบปกปิดสองเสียใจไม่ให้อาล้อไม่ให้อาล้อเอาภัยอ่าไม่ให้ไม่ให้อาล้อเอาโทษเราอันที่สามคืออย่าให้เราไปทําผิดซ้ำสร้างอีกเนี่ยต้องขอสามอย่างเวลาขอพระยโทษนะขอเพียงเดียวไม่พอนะขอให้ลบปกปิด อันสองขอให้เราล้อแมวโทษอันที่สามขอให้เรานั้นไม่กลับไปทําซ้ําอีกอส่วนคําว่าวาอันตะคอยรุลโภฟีรีนกอฟีรีนแปลว่าไม่มีผู้ใดให้อภัยในความผิดได้นอกจากพระองค์เท่านั้นแอและหลังจากนั้นก็ขอพอรต่อโลว่าโปรดกําหนด อ, อาญานี้ล้มาล้ขอโทษทีวักตูบะ อายะที่ร้อยหกวัคตุบัลานาฟิฮาดิฮิตดุลยาและได้โปรดทรงกําหนดความดีให้แก่พวกเราในโลกนี้วอฟินอาคิรอและก็ในปอร์โลกด้วยเถิดใกล้ค ร, รบบานาอาตีนาฟิดุลยาเนะี่ยใกลๆกันอ่าแต่นี่เป็นคําพูดของใครของนบีมูซาอ่าขอให้กําหนดให้ความดีแก่พวกเราทั้งโลกนี้แนละโลกหน้าด้วยเถิดแท้จริง อินนาฮุดะนาอิเลกแท้จริงพวกเราสำนึกผิดต่อพระองค์แล้วกอล่าเาพระองค์อัลลอตาลาก็ตัดว่าการลงโทษของข้านั้นกอล่ะอาเาบีอูซีบูบีฮีมันอาชะการลงโทษของข้านั้นเนี่ยจะให้มันประสบแก่ผู้ที่ข้าประสงค์อ่าวาราะมัตีวูซีอัจกุลละชัย อันนี้สำคัญนะเลข่าเป็นเลข่าจะให้มันประสบแก่ผู้ที่ประสงค์และความเมตตาของข้านั้นกว้างขวางทั่วทุกสิ่งแสดงว่าในความเมตตานี่มันเยอะกว่าใหญ่กว่ามากกว่าซึ่งสิ่งที่ข้ากําหนดมันแก่ บ, บรรดาผู้ที่ยำเกรงและก็คําว่าผู้ที่ใจสกัดสกาดนี้หมายถึงซักฟอกทั้งร่างกายและจิตใจและก็ทรัพย์สิน และแกบบดาพผู้ที่ศรัทธาต่อยาขอหรครั้งหนึ่งมีคนอาหรับคนหนึ่งมาดอานาบีห้ามเลยดอาแบบนี้ไม่ได้ดอาน่าเกียดมากขอยไงมีรายงานจากอาหรับชนนบุเขาก็เข้ามาเสร็จก็ผูกอูดเอาอูดเี่ผูกเอาขีอูดมานาะแล้วก็ผูกอูดเอาไว้แล้วก็เอาเชือกเนี่ยไปคล้องเอาไว้แล้วก็เข้ามานอนอยู่ หลังจากนั้นก็เข้ามาละหมาดตามท่านนบีสุลต์ลฮวาเลวซัลลัมเมื่อท่านนบีละหมาดเสร็จเขาก็กลับไปที่พานาของเขาแล้วก็เอาเชือกที่คล้องอูดออกแล้วก็ขึ้นขี่มันแล้วก็ด้วยเสียงอันดังเลยเพราะอาดับเนี่ยเวลาคนชนบทเนี่ยเขาจะพูดเต็มเสียงพูดดังดูอารานเลยว่าอัลลอฮุมะเอรฮัมนีวะมุฮัมมาดันโอ้ Allah ขอพระองค์ได้โปรดเมตตาฉันและมหัมมัดด้วยไม่เรียกตำแหน่งด้วยนะเรียกชื่อเลยซึ่งไม่สมควรนะต้องเรียกตำแหน่งไม่ใช่เรียกชื่อวาเลตุชริกฟิโรมาตินาอาฮาดันและขอพระองค์ทรงอย่าให้ผูดด้ใดได้รับความเมตตาเหมือนอย่างที่เราได้รับเลยไอ้ตอนวักแรกกันมีปัญหาไอ้วักที่สองเนี่ยไปห้ามเอาล้อเมตตาคนอื่นแล้วต้องต้องให้ฉันคนเดียว ไม่เผื่อคนอื่นเลยนี่นบีบอกว่าพอได้ยินปั๊บนบีออกมาก็ได้ยินแล้วก็บอกว่าอันตะกูลูนะฮะดาอดลูอุมอัมบายรููนบีบอกว่าไอ้คนเนี้ยไอ้คนที่อยู่บนอูดกับอูดน่ยอันไหนหลงกว่ากันนบีถามระหว่างอูดไก้คนขี่เนี่ยอันไหนหลงกว่ากันอาลัมตัสมาอูมากรพวกท่านได้ยินสิ่งนี้เขาพูดไหมเขาตอบว่าพกคนอย่างไรก็ตอบว่าได้ยินกอรูบะละได้ยินแล้วก็ดาฮาซรัษ รต่ลอตมัตันมีใครหรอบางอาจที่จะจํากัดความเมตตาของอัลลอฮ์ได้บ้างมีใครไหมที่จะไปสามารถจํากัดความเมตตาของอัลลอฮ์ซึ่งความเมตตาของอัลลอฮ์นั้นมันกว้างขวางเหลือเกินไปห้ามอัลลอฮ์ไม่ให้เมตตานั้นเมตตานี่ต้องเมตตาใจคนเดียวได้ไหมไม่ได้แท้จริงความเมตตาของอัลลอฮ์นั้นสร้างเอาไว้ถึงร้อยความเมตตามีเพียงแค่หนึ่งเท่านั้นแหละนะแล้วพระองค์ก็ทรงประทานลงมาเพียงแค่หนึ่งรอมะเท่านั้นซึ่งทําให้ ที่ถูกบังเกิดมาทั้งยินมนุษย์สัตว์เดรัจฉานมีความอ่อนโยนซึ่งกันและกันและพระองค์ยังเก็บเอาไว้อีก99ความเมตตาและท่านคิดว่าระหว่างอูดกับเขาใครจะหลงกว่ากันนี่แค่หนึ่งนะอ่ายังเก็บไว้อีกเกและ้เก็บไว้วันไหนอะวันกิยามัตวันกิยามัตอลัลลอฮฺจะให้อีก99 ตอบแทนให้ผลบุญอีกเกสิบเก้าแต่ที่หนึ่งเนี่ยก็ทำให้โลกเราเนี่ยมีความสวยงามและอ่อนโยนกันมีความอุ่มอรลวยกันนะครับอ่ะประมาณนี้นะอ่ะเดี๋ยวอ่านต่อออดียตบบรููมม الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف, يأمرهم بالمعروف وينهأهم عن المنكر ويحل له موت طيبات ويحرم عليهم القبائس ويحل عل لهم الطيبات ويحرم عليهم القبائس ويضع عنهم ال الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ แَะตัَงแตُทีَ่ระอง ن ์ทรงตรัสวَ ا ข้าพเจ้าจะเป็นผ ใครเขามุลมุฟลิฮฺหกุลอยยูห์ สู้อินนีรสนุลลอฮَอิลัุมจามีอั อินน <ك ش ف> ี رسول <إ ن S 1> <س ؤ ال> ุลลอฮีอิเลยุคุม j a m i َ n i n ละดี له ملك السماوات والأرض อินนี رسول ุลลอฮีอิเลยุุม jamianin ละดี لا إله إلا هو يحيي ويميت ؤمن بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله ยุมินَบิลِัَลอِิว ا ت ลิมَติฮิว ه ُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ว่า أ ُ م ٌَّ่ ي َ ه ْ د าอ ن َ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ามาดูความหมายร้อยห้าสิบเจ็ดอัลลีคือบรรดาผู้ทีทาาทานนา่ปฏิบัติตามใครอ่ะก็คือบรรดาซอฮาบะของท่านนบีเนี่ยปฏิบัติตามปฏิบัติตามรอซูลปฏิบัติตามรอซูลเป็นผู้เป็นนบีที่อ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นเป็นอุมมี่ นบีุอุ ม, มีแปลว่าเป็นนบีที่อ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นอ้าวแล้วนบีเวลาจะลงนามนาบีจะไม่ใช้เขียนนบีใช้ประทับจะมีแหวนนะแล้วก็มีตาแล้วก็ประทับเขียนว่ามุฮัมมัดรอสุลลลอห์ประทับตาไปและที่เหลือก็มีคนเขียนให้แนละแล้วก็อ่านให้ฟังนบีก็จะฟังอันไหนถูกก็แก้คือพูดได้แต่เขียนไม่เป็นอ่านไม่เป็น สาเหตุก็เพื่อป้องกันไงไม่ให้เข้าใจว่าท่านอบีแต่งคัมภีร์ขึ้นมาเองท่านาบีเป็นคนที่เก่งภาษาเก่งเก่งในเรื่องของการเขียนเดี๋ยวก็จะหาว่านับีในี่แต่งกุรอายขึ้นมาทำให้นบีเป็นผู้ที่อ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นและเป็นคุณลักษณะของที่ถูกกล่าวไว้ตั้งแต่คัมภีร์ก่อนหน้านี้ว่าผู้ที่อ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นจะถูกแต่งตั้งเป็น น, บลลนับนนดุม ที่พวกเขาพบว่าเขาถูกจารึกอยู่ที่พวกเขาทั้งในคำพีเตาร้อนและอินจีนทั้งเตาร์้ออินจีนเนียมีการบอกไว้เล้วว่านาบีมอหมัดเนี่ยจะปรากฏขึ้นอะยะมุรุหุมบินมารูฟนบีมอห์มัดเนี่ยจะห้ามพวกเขาไม่ทาความจะใช้ก่อนจะใช้ทำความดี วยัญหาหุมอนิ่งมุงกัดและก็ห้ามปามสิ่งที่เป็นความชั่วไว้อยู่ให้รู้ล่หุมุดต่อยีบาตและจะอนุมัติสิ่งดีๆแก่พวกเขาว้อยูฮัริมัวเลยหิมุลอบาอิสและก็จะห้ามสิ่งเร็วๆแก่พวกเขาวยะดออันหุมอิสรอหุมและก็จะทรงปลดเปลื้องภาระอันหนักแก่พวกเขาและห่วงคอที่ปรากฏอยู่บนพวกเขาออกไปงงไหม คือก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีการทำาศาสนกิจแบบเลยเถิดห้ามถ้าคนดีเนี่ยต้องไม่แต่งงานนะต้องอยู่เป็นโสตคองพรมจันเนี่ยถึงจะดีจริงถ้าไม่ดีถ้าถ้าไม่ถ้าคุมไม่ได้เนี่ยไม่ดีนบี้มาบอกไม่มีอย่างเงี้ยไม่มีคนดีก็ต้องมีครอบครัวเนี่ยยิ่งต้องมีครอบครัวเลยเนะี่ยคนดีต้องมี ใช่ไหมไปคุณสมบัติของคนดีต้องมีครอบครัวนั้นเป็นคนดีแต่ไม่มีครอบครัวเนี่ยโตลงดีจริงไ่มเนี่ยถ้าดีจริงต้องมีครอบครัวนะเออมีต้องมีคนที่อยากจะอยู่ด้วยใช่ไหมอ่าเอาแหละหรือแม้กระทั่งการกระทําบางอย่างเช่นตะวัฟสมัยก่อนสมัยยัยริยันนี่แก่ผ้าบอกไปแล้วแก่ผ้าตะวัฟอะไรที่มันเกินไปหนักอึ้งไปเนี่ยนบีมาบอกว่า ให้ทําให้เกิดความสะดวกและแถมยังมีข้อผ่อนผันผ่อนปรนอีกนะเนี่ยที่เขาแจกน้ำท่วมกันเนี่ยอ่าต้องการข้าวฮาลานอ่าถ้าถึงเวลาจริงๆมันขับขันจริงๆไม่มีจริงก็กินประทางชีวิตได้อ่าแต่การที่เราจะเรียกร้องอาหารฮาลานก็ไม่ได้ผิดอะไรไม่ผิดถูกต้องก็ต้องบอกแต่ถ้ามันไม่มีจริงๆอะไรที่กินกินได้ประทางชีวิตกิกกนไปก่อน มีข้อผ่อนผันไม่ต้องห่วงอ่า a l l ะใช้นะ่ะให้อะไรให้นบีมูฮัมมัดราเนี่ยปลดเปลื้องภาระอันหนักแก่พวกเขาและห้ามและก็ห่วงคอที่ปรากฏอยู่คือบางคนเนี่ยคาว่าห่วงคอนี่แปลว่าแปลว่าเขาต้องทำเลยเพราะว่าถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ต้องทำเหมือนกับเราจูงวัวเนี่ยมันปลดไม่ได้ แต่พอเวลามามีศาสนามาบอกว่าเฮ้ยอย่างนี้ไม่ถูกเป็นไงเลิกเลยตัดไอห่วงคอที่มันคอยข้ําคอเราอยู่ออกซะใช่ไหมอ่าเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าทําทีคําว่าเป็นศาสนาปุ๊บศาสนาคิจปั๊บเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าต้องทํานะศาสนาบางศาสนานี่โอ้ยเกิดความลําบากบางศาสนานะอ่าแต่เขาอิสลามเราจะไม่เป็นแบบนั้นจะไม่มีนักพจ น, นักบวชอ้าวต่อมา ฟัลลาดีนอาอัมโนบิฮดังนั้นบรรดาผู้ศรัทธาต่อเขาก็คือศรัทธาต่อนบีมฮัมมัดเนี่ยและให้ความสำคัญแก่เขาช่วยเหลือเขาและปฏิบัติตามแสงสว่างที่ถูกประทานลงมาแก่เขาเราไซชนเหล่านี้แหละคือบรรดาผู้ที่ประสบความสำเร็จบัญญัติของท่านเราซูนก็คือเป็นเรื่องง่ายๆอ่า อีออันห น, น, นึ่งอันเนี้ยเป็นฮะดีษนะบอกว่าอินนัลลอฮ่าแตจาวซาลิอุมมตีแท้จริงอัลลอฮ์ทรงอารมุ่มอรวยแก่ประชาชาิของฉันการที่อัลลอฮ์นั้นจะไม่เอาบาปในสิ่งที่อยู่ในใจจนกว่าจะกล่าวออกมาหรือกระทาสมมติคิดไม่ดีเนี่ยยังไม่เป็นบาปนะอ่าในทางกับการจะคิดไม่ดีปับ๊บแล้วห้ามได้ด้วยกับ <c oughs> คำสั่งของลดได้บุญอีกความผิดอัลลอฮ์จะไม่เอาสำหรับคนที่ลืมลืมเนี่ยอัลละฮ์ไม่เอาโทษลืมจริงๆนะเออลืมเมียไว้ตลาดอย่างเงี้ยนะอ อ, อันนี้ลืมจริงๆถนะ้าลืมจริงๆ <c oughs> ไม่ไม่ไมลืมไง <c oughs> ไม่เคยจะไปถึงขนาดนั้น <c oughs> แต่เคยลืมซื้อของนะเคยบ่อย <c oughs> แต่บนทั้งวันเลยนะ <c oughs> แต่บนทั้งวันเลยคนมันลืมอะ่ะ ทำไมล่ะเอา ล, ล้อยังไม่เอาโทษเลยเ อ, อ่ะกระสาวกะสาวอ่าแต่ไปบ้านเอาเรื่องเอา ล, ล้อไม่เอาโทษแต่ไปบ้านเอาเรื่องใช่ไหมคนเรามันลืมกันได้อ่าเพือนอย่างงี้ถ้าลืมบ่อยเนี่ยเขาจะไม่ใส่ใจลืมต้องนานๆทีแต่ถ้าลืมบ่อยๆเขาจะไม่ใส่ไม่ใส่ใจอันนี้คนละเรื่องนะอ่าคนแบบถามเออมันมันคนเนี่ยเคยลืมละหมาดนะมีนะ คนเคยแล้วคิดคือละหมาดต้นเวลามาตลอดมีวันหนึ่งคิดว่าเราละหมาดไปแล้วแต่ต้นเวลาเฮ้ย hey, อันนี้ยังไม่ได้ละหมาดนี่ว่ามีไม่ได้ตั้งใจจะทิ้งนะแต่ด้วยกับการที่เราละหมาตดต้นเวลาตลอดมอีวันหนึ่งที่เราละหมาดช้าเราก็คิดว่าเราละหมาดไปแล้วเออกลับมาบ้านเอาไม่ดีไม่ได้ละหมาดนี่ว่ามีแต่ไม่บ่อยหรอกนานทีเออลืมเนะี่ยอย่างนี้เอาล็อกไม่เอาโทษอ่าหรือ ผิดพลาดโดยไม่ตั้งใจผิดพลาดแบบไม่ตั้งใจหรือถูกบังคับอันนี้เราไม่เอาโทษเห็นไหมอิสลามเราง่ายนะอ่าแต่ทุกวันนี้ไอ้ที่ผิดเนี่ยเพราะว่ารู้เนี่ยแหละไม่ใช่ไม่ตั้งใจเราตั้งใจแต่อดไม่ได้อันนี้แหละที่มันเป็นบาปอ่าต่อมาอีกระยะหนึ่งเลาบอกว่ากูลเียอัยูฮานาจงกล่าวถึงมูฮัมหมัดว่าโอ้มนุษย์ทั้งหลายเท็จริงสรรเป็นศาสนาทูตที่มายังพวกท่านทั้งหลาย แบบทั้งหมดเลยจะมีอันแปลว่าคุมไปหมดทั้งประชากรทั้งโลกไม่ว่าจะเป็นสีผิวไหนก็แล้วแต่จะแดงจะดำจะเหลืองอ่าสีผิวนะจะชนชาติไหนก็แล้วแต่นบีมอมัดเป็นนบีของคนทั้งโลกที่เคยบอกไปแล้วอุมมะนบีทั้งโลกแต่แยกออกเป็นที่ตอบรับก็ยังไม่ตอบรับ สำหรับพระองค์ก็คืออัลลอฮ์ตาแลนั้นมีอำนาจแห่งชั้นฟ้าและแผ่นดินไม่มีพระเจ้าที่สมควรได้รับการสักการะเคารพสักการะนอกจากพระองค์เท่านั้นยุฮีวะยูมีตพระองค์ให้เป็นแล้วก็ทรงให้ตายเราจะเกิดไม่ได้เกิดเองได้นะบางคนเนี่ยถามว่าคุณเกิดมาจากไหนเขาบอกเกิดมาจากมะ ก, กับป่าอธุกแต่มะ ก, กับปาเนี่ยมันได้มีอำนาจให้เราเกิดหรอกเขาแค่ทำ เขาทำได้เฉยแต่เขาไม่รู้หรอกจะเกิดไม่เกิดเดี๋ยวเขาต้องให้อัลลอ์เป็นผู้กำหนดอา้าวเช่นเดียวกันตอนตายแล้วตายยังไงอ่ะเออพ่อไม่ให้ตายได้ไหมก็ไม่ได้อลัลลอ์ให้ตายอาลัลลอ์ให้เกิดแล้วให้ตายอา่าส่วนทำเนี่ยเป็นหน้าที่ได้เฉยจะเกิดไม่เกิดอยู่อีกเรื่องหนึง่งฟาอามีนูบิลฮิวรอซูลิฮินนาบี ดังนั้นจงศรัทธาต่อเราลและเราซูนผู้ที่อ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นเนี่ยย้าอีกรอบนึงอเลดีย ah ุมีนูบิล่ะซึ่งเขาก็คือนบีเนี่ยก็ศรัทธาต่อเราลและดํารัสทั้งหลายของพระองค์ปฏิบัติตามที่กุรรานบอกทั้งหมดนบีเราเนี่ยนะศรัทธาต่อเราลแล้วก็ปฏิบัติตามวัดแทบิอุฮูและพระเจ้าจงปฏิบัติตามท่านนาบีเถิดนะปฏิบัติตามเขาเถิด ล้านและกุ้มตาตะดูลเพื่อว่าพระเจ้าจะได้รับทางนําทั้งหลายแล้วก็ปิดท้ายอายะวุมินกาวมินมูซากลับมาที่นบีมูซาอีกแล้วและจากกลุ่มชนของมูซามีกลุ่มหนึ่งที่ให้คําแนะนําด้วยความจริงและด้วยความจริงนั้นเขามีความเที่ยงธรรมแปลว่ายาฮูดเนี่ยในที่อยู่ในเมืองมักกะเนี่ยไอ้ขอโทษดีมาเดียมาดีน่าเนี่ยบางส่วนก็เป็นคนดีแล้วก็มารับอิสลามเช่นอับดุลลอฮ์บินสลาม ไม่เทน้ำมดหรอกที่ดื้อกลอลล็อตเนี่ยดีก็มีอ่าดื้อก็ดือด้อก็มีดีก็มีและถ้าดีปั๊บเนี่ยแตดับเบิลเลยดีเนี่ยดับเบิลเลยเพราะว่าเหนือกว่านั้นเพราะว่าก่อนหน้า น, นี้เขาก็ปฏิบัติตามคัมภีร์ของล็อตมาก่อนแล้วเล่ม น, นึงสมมติเขาปฏิบัติตามกุฎานเนี่ยก็เท่ากับปฏิบัติตอนก่อนที่จะรู้จักกุฎานปฏิบัติตามอะไรอินจีนมาแล้วหรือปฏิบัติตามเตารอนมาแล้วส่วนคนที่เป็นอาหรับมุชลิมเนี่ยพวกนี้มันมีคัมภี์ ไม่มีคัมพี้ยอะไรอยู่แล้วแล้วก็มามาศรัทธากับนบีแล้วก็กุรอ่านแต่คนที่เป็นอาลุนกีตามเนี่ยเมื่อมาศรัทธาต่อรอดเนี่ยดับเบิลไปด้วยแปลว่าก่อนหน้านี้อลัลลอฮ์ก็คิดผลบุญให้ด้วยเพราะเขาก็ปฏิบัติตามคำเพี้ยของอลัลลอฮ์เช่นเดียวกันน ะ, ะมีอยู่ห้าอย่างที่ที่ น, นบีมูฮัมหมัดไม่เคยได้เฉพาะนบีมูฮัมหมัดนบีก่อนคนคนอื่นเนี่ยไม่เคยได้จําได้ไม่มีอะไรบ้างห้าอย่าง หนึ่งก็คือการที่นบีมูฮัมมัดนั้นเป็นนบีกา ฟ, ฟะทั้งหมดเลยไม่ถูกเจาะ จ, จงเป็นกลุ่มชนไม่ว่าจะผิวสีผิวไหนเนี่ยนบีมูฮัมมัดเป็นดอซูลทั้งหมดแต่ถ้าเป็นนวลเฉพาะกลุ่มชนใช่ไหมกลุ่มชนแต่ละกลุ่มชนไม่ทั้งโลก อ, อันที่สองก็คืออัลลอฮ์จะโยนความหวาดกลัวให้กับศัตรูเป็นเดือนๆเลยนบีจะยกทัพไปที่ไหนเนี่ยพอดีกลัวแล้ว แค่ไปกะแอมหน่อยเนี่ยยอมแล้วอันนี้เป็นเป็นในถ้าอ่านในประวัติเนี่ยสู้เขาได้นะคือจริงๆเนี่ยมันสู้ได้แต่ว่ามันกลัวเอาลอยโยนความหวาดกลัวในหัวใจอันนี้เฉพาะนาบีมูฮัมมัดอันที่สามให้กินทรับเฉลยอะเขาเรียกซับสงครามก่อนนี้มะก่อนหน้านี้ต้องเอาทําลายทิ้งหมดเลยนะเผาทิ้งหมดแต่พอสมัยนบีก็เอามาแบ่งอนุญาตอันที่สี่กับห้า อ่าที่สี่ก็คือให้ที่แผ่นดินของเราเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นที่สุยูดเราจะละหมาดสะดวกที่ไหนเราก็ละหมาดได้หมดแต่สมัยก่อนเนี่ยถ้าจะทําทําการละหมาดสมัยก่อนนะเนา่ีต้องละหมาดเฉพาะที่ต้องเป็นที่เท่านั้นถ้าเป็นละหมาดทั่วไม่ได้แต่ของเราเนี่ยละหมาดได้หมดเลยถ้าไม่ใช่ห้องน้ำไม่ใช่กูโบะละหมาดได้หมดและก็ให้แผ่นดินสามารถทําความสะอาดได้เรื่องอะไรตะยามมุม และสุดท้ายก็คืออะตีตุนชาฟาให้ชาฟาเกียร์นบีมูฮัมหมัดคนเดียวนะสาหรับคนที่ไม่ทาชีริกตอรอใครไม่ทาชีริกอรอเนี่ยอัลลอฮ์ะจะให้นบีมูฮัมมัดได้สิทธิในการขอชาฟาเอาไว้และเป็นชาฟาแบบคือ ส, สุดท้ายแล้วอ่ะสุดท้ายแล้วไม่เหลืออะไรแล้วเนี่ยอย่างน้อยนะ ไม่ทำชีริกต่อรอดเนี่ยนบีก็จะชฝาดขึ้นมาอันนี้ชฝาดบางทีเนียอยู่ในรกแล้วเนี่ยชฝาดขึ้นมาอ่าชฝาดขึ้นมาลงในนรกแล้วแล้วเอาขึ้นมามีชฝาดหลายรอบนะรอบบอลน้ําก็มีรอบแล้วแล้วก็มีชฝาสุดท้ายสุดแต่คืออยู่ในนรกอ่ะเอาขึ้นมาแต่แน่นอนว่าต้องไม่ทําชีริกต่อรอดไงแตาทำชีริกก็อยู่ในนรกตลอดไปนะอ่ะอันนี้ก็คือห้าข้อที่อัลลอฮ์ให้นบีบอมมดไม่เหมือนอ่าเหนือกว่าหรือไม่เคยให้นบีก่อนหน้านี้มาก่อน นะครับอ่ะประมาณนี้นะอะไรจ้ะมีอะไรบ้างอ๋อหมดเลยมีอะไรบ้างนะสัตว์สัตว์นี่เขาเอาหมดนะูดแพะเมื่อก่อนเขายึดกันเนี่ยแพะกี่ตัวอูดกี่ตัวอพวกเงินทองและก็ผู้หญิงไม่ใช่ไปตีเมืองสิ ไปไปยึดสมุติสมุติตอ่ะไปรบกับยาฮูดกลุ่มนี้บันีกูรซยโซกูรอยเนี่ยมันมีเมืองของมันถูกไหมในเมืองมันมีอะไรบ้างล่ะในเมืองมันก็มีมีบ้านมีข อ, ม, ขอมีค่ามีผู้หญิงพอปิดปุ๊บยอมแพ้ก็ต้องเอามาหมดเลยแล้วก็แผ่นดินถูกยึดไหมถูกยึดด้วยเอาดินมาแบ่งกันอีกที่คอยบัตเนี่ยซอบาที่ไปรบเนี่ยได้แผ่นดินได้ดินมากินคนละแปลงแปลงแปล ง, ปงคือถ้าพูดเนี่ยแพ้ก็คือหมดเลยไม่เหลืออะไรเลย ผู้หญิงก็ต้องกลายเป็นทาสและก็อผู้หญิงก็ามาแบ่งนะมาอด้วยแต่เมื่อก่อนเป็นอย่างนั้นก็ามาแบ่งก็กลายผู้ชายก็เป็นทาสผู้หญิงก็เอามาเป็นคนในครอบครัวแล้วแต่จะปล่อยหรือจะแต่งงานก็แล้วแต่อืมก็คือการรบอ่ะสมัยก่อนเป็นอย่างนั้นอืมจ้าซุบฮานะกอลลอฮุมม้าบิฮามลิกาสตวนไลลัยนะจ่ า, าสตฟุรุคาบอะซซลลมุอะลัยคุมุรราะมัตุลลอฮ์มุบะกาตุ